เรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการบทที่สล้อมกรุงครั้งแรกด้วยเหตุที่เขามาพักอยู่ที่นี่หลายวันน้ําและเสบียงอาหารยังมีเตรียมมาเก็บไว้บนเชิงเขาที่เขาพักกันอยู่เขาได้พยายามปีนป่ายขึ้นไปซึ่งเป็นที่ไม่สูงนักเขาพบน้ําและเข้าตากเข้าตูยังมีอยู่บ้างเขาได้รับประทานความปวดร้าวที่ศีรษะทําให้เขาแน่ใจว่า เขาคงถูกตีหรือถูกฟันมีแผลที่ศีรษะแต่คงไม่ใช่แผลสาหาัสเขาได้เอาน้ำล้างศีรษะแล้วเอาผ้าพันไว้ตามตัวของเขามีรอยดาบเฉี่ยวหลายแห่งแต่ไม่เป็นแผลลึกแล้วเมื่อเวลาล่วงมาตั้ง24บสี่ชั่วโมงเลือดก็แห้งกรังเกือบจะไม่จำเป็นต้องใส่ ย, ยาอะไรเขาพยายามพิจารณาทั่วร่างกายของเขาและแน่ใจว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บสาหาัสแต่เขาก็ไม่เห็นจาเป็นที่จะรีบร้อนเดินทางไปจากที่นี่ เขาพักนอนบนเชิงเขาที่เขาเคยนอนพักคืนนี้กับคืนก่อนๆมีความเปลี่ยนแปลงผิดกันมากคืนที่แล้วแล้วมาเขาอยู่กันกว่า4ี่ร้อยคนอาจารย์ทาพิธีบริกรรมและสอนให้ศิษย์ทั้งหลายสวดมนต์ภาวนาคืนนี้เขาอยู่คนเดียวมีเพื่อนอยู่แต่เพียงศพเกลื่นกราดอยู่ริมทะเลอาจจะมีบางคนที่ไม่ตายแต่เขาไม่สามารถจะรู้ในคืนนี้ได้ดรอไว้วันพรุ่งนี้เขาจะลงไปตรวจดูให้ถีถ้วน เขาพักหลับอย่างสบายแสงจันทร์ที่สอดส่องให้แสงสว่างและความวิเวกวังเวงภูเขาอยู่ทางหลังทะเลอยู่ข้างหน้าซ้ายขวาเป็นช่องทางเดินศพไทยศพพมา่าเด e r i n ายอยู่ตรงหน้าเขาภาพแห่งการต่อสู้อย่างแรงร้ายได้ปรากฏเป็นมโนภาพอยู่จนกระทั่งเขาหลับเขาตื่นขึ้นเมื่อก่อนรุ่งอรุณดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ําทะเลแสงลาไรจากที่ตะวันออกได้ให้ชีวิตใหม่แก่เขา แสงนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นและภาพของอ่า ว, ว่าขาวก็ค่อยๆงามขึ้นเป็นลำดับอ่า ว, ว่าขาวชื่อของอ่าวนี้จะต้องติดพงสวัดานพร้อมกับนามของขุนรองประหลัดชูและกองอธรรมาตเลือดวิเศษชัยชาญไดแสดงความสามารถและความเป็นนักดลบอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังมีเลือดเมืองสันเมืองสิงซึ่งได้สร้างเกียรติที่ใครจะแข่งขันได้ยากน้าลงมากในเวลาเช้า และเขาจําได้ว่าเมื่อวานนี้ตะวันยิ่งสายน้ําก็ยิ่งขึ้นมากเขาเกิดความคิดที่จะเผาศพทหารไทยและทหารพมา่าแต่มันก็เป็นจำนวนกว่าพันเหลือวิสัยที่จะเผาได้ด้วยลําพังตัวเขาคนเดียวมองไม่เห็นว่าจะไปหาฟืนและเชื้อเพลิงจากที่ไหนมาเผาศพคนตั้งพันคนเมื่อแรกที่กองอัธมาชมาตั้งอยู่ที่นี่ก็มีรัษฎรอยู่ในอ้าวว่าข่าวนี้หลายหลังคาเรือนแต่พอรู้ว่าจะต้องรบกันที่นี่ รศัศดรทั้งหลายก็อพยพไปไม่มีทางที่จะไปเที่ยวตามหาให้มาช่วยกันเผาศพจำเป็นต้องปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยให้เป็นอาหารของแรงเขามองดูศพทหารไทยและทหารพรมาร่าที่ล้มตายก่ายกองยากที่จะเข้าใจว่าด้วยเหตุผลอันใดชนทั้งสองชาตินี้จึงได้รบราค่าฟันกันมากมายจะว่าแย่งความเป็นเจ้าเป็นใหญ่กันในดินแดนแถบนี้ก็ไม่แน่นักทางไทยเราโดยมาก เราทําเพื่อป้องกันบ้านเมืองของเราส่วนทางพม่านั้นเล่าพลเมืองก็ไม่มีเหตุที่จะเกลียดชังอะไรกันเป็นแต่เพียงเรื่องของคนคนหนึ่งสองคนเมื่อใหญ่โตขึ้นมาก็พาเอาพลเมืองมาเป็นเครื่องมือป้อนสะดมหาประโยชน์ความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเองเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นแต่เรื่องส่วนตัวของคนใหญ่โตก็ต้องกลายเป็นเรื่องของคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขามุ่งเดินหน้าขึ้นมาทางเหนือและในระหว่างทางที่เดินไป ก็พบแต่รอยเท้าคนรอยเท้าม้ามากมายแสดงว่ากองทัพพมา่าได้ผ่านขึ้นไปแล้วป่านนี้จะไปถึงไหนก็ไม่ทราบพญารัตนาทิเบตอยู่ที่ไหนส่งกองหนุนมาช่วยบ้างหรือเปล่าพิจารณาดูรอยเท้าคนรอยเท้ามา้าก็เห็นมีแต่รอยไปไม่มีรอยมาเป็นการแน่นอนว่ากองอัตมาศไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใดเขาเดินขึ้นมาอย่างไม่รีบร้อนเหนื่อยก็พัก ค่ำก็นอนพบหมู่บ้านก็แวะเข้าไปถามหาคนได้ยากเต็มทีพบเข้าบ้างคนสองคนก็ได้ความว่ากองทัพพมา่าเป็นจำนวนมากหลายได้ผ่านขึ้นไปเข้ามาจนกระทั่งถึงเมืองกุยที่พักกองทหารของพระยาลัตนาธิเบศถามคนที่มีเหลืออยู่ในที่นั้นได้ความว่ากองทัพพระยาลัตนาธิเบศได้ถอยหนีไปโดยไม่ได้สู้รบกับพมา่าเลยเมื่อซักถามว่า ถอยไปตั้งแต่วันไหนคนที่นั่นบอกวันเวลาที่ทําให้รู้ว่าในขณะที่กองอธรรมาตกําลังสู้รบพม่าอยู่ที่อ่าวว่าขาวนั้นพรยาลัตนาธิเบศได้ถอยทัพไปโดยไม่ได้ห่วงใยกองอธรรมาตแปลว่ากองอธรรมาต ถ, ถูกส่งไปสําหรับสกัดกั้นทวงเวลาพมา่าเพื่อให้กองทัพพระยาลัตนาธิเบศได้มีโอกาสหนีได้เท่านั้นเองคราวนี้เขาก็แลเห็นว่าคําที่นิมนวลพูดว่าพระยาลัตนาธิเบศ เป็นคนรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนั้นเป็นความจริงและดูเหมือนจะเป็นลักษณะของคนใหญ่คนโตทั่วๆไปในกรุงศรีอยุธยาเวลานี้เขามั่นใจว่าพาม่าคงจะ ย, ยึดเมืองเพชรบุรีและทางดีที่สุดสำหรับเขาคือเดินเลียบริมทะเลเรื่อยไปโดยหวังว่าเขาอาจจะเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนกองทพาาัพพม่าเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาอย่างที่เขาหวังได้พบหลงจบไกลแดนนิ่มนวล และอุ่นเรือนภริยาของเขาอุ่นเรือนอยู่ในฐานะที่หมดหวังเธอพบสามีด้วยความรู้สึกเหมือนถูกผีหลอกเพราะเชื่อว่าสามีตายไปแล้วหลวงจบไกลแดนถามว่าแล้วกองช่วยไปทางไหนเสียหลวงแสนพลภาพา ย, ย้อนถามว่ากองช่วยที่ไหนหลวงจบไกลแดนพูดว่ากองช่วยที่พญาลัตนาที่เบสส่งไปหลวงแสนพลภ า, าถามว่าส่งไปเมื่อไหร่หลวงจบไกลแดนพูดว่าเขาเข้ามารายงานว่า ส่งคนไปช่วยห้าร้อยคนหลวงแสนพลาพ่ายพูดว่าไม่มีเลยสักคนเดียวพญาลัตนาธิเบศยกหนีทันทีในเมื่อรู้ว่ากองอธรมาต์ปะทะหน้ากับพมา่าแต่หลวงจบไกรแดนพูดว่าเขามารายงานว่าเขาได้ส่งกําลังช่วยและบัญชาการรบอยู่จนเห็นว่าไม่สามารถจะต่อสู้ได้จึงได้ถอยหลวงแสนพลาพ่ายตอบว่าโกหกทั้งสิ้นนิมนวลกล่าวว่า ดิฉันได้บอกแล้วว่าเจ้าคุณรัตนาธิเบศเป็นคนอย่างไรหลวงแสนพลาพ่ายได้ฟังจึงพูดว่าแล้วคนอย่างนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ได้หลวงจบไกรแดนพูดว่าคนอย่างนี้นะสิที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้ในสมัยนี้ต้องเป็นคนอย่างเจ้าคุณรัตนาธิเบศเรื่องความสูญเสียของกองอธมาตได้สร้างความรู้สึกอันซาบซึ้งให้แก่ประชาชนชาวพระนครศรีอยุธยาไปทางไหน ก็ได้ยินเสียงพูดจากันถึงเรื่องกองอธรรมาตและขุนรองประหลัดชูแต่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับความยกย่องทางราชการอะไรเลยสักนิดเดียวลูกเมียของคนเหล่านี้ไม่ได้รับความการุณาช่วยเหลือหรือทำขวัญอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอันว่าตายเปล่าส่วนพญาลัตนาธิเบศซึ่งปล่อยให้กองอธรรมาตตายทั้งกองเอาตัวหนีรอดกลับมาได้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งจตุสดมวังตามเดิม กองทัพพม่าที่ข้ามศพกองอัธมาศผ่านอ่าวว่าขาวเข้ามานั้นเข้ามาถึงเพชรบุรีทางกรุงศรีอยุธยาก็มีแต่การตื่นตกใจในระยะเวลาใกล้ๆกันนี้พระเจ้าอาลองพญากระสัพม่าผู้ลุกรานไทยได้ลงมาดูเมืองทวายเมืองมาริดและเมืองตะนาวศรีมาทราบว่ากองทัพไทยอ่อนแอเต็มทีแตกหนีง่า ย, ายจึงตัดสินใจที่จะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทันทีสั่งให้เกณฑ์พลเพิ่มเติมลงมา เพื่อญาตราทัพเข้ามาเป็นทัพใหญ่ในระหว่างที่พม่าเกณฑ์พลนี้ข่าวก็แพร่เข้ามาว่าพม่าเตรียมทับใหญ่มาตีไทยพวกเจ้าผ่านบ้านผ่านเมืองที่รู้ข่าวนี้ก็รีบรายงานเข้ามาอย่างกรุงศรีอยุธยาผู้ที่รายงานก็ล้วนแต่รายงานว่ากองทัพพม่าจะเข้าทางด่านของตนใบบอกเมืองการบุรีบอกเข้ามาว่าพม่าจะเข้าทางด่านพราะจะดีสามองค์ใบบอกทางกำแพงเพชรก็บอกเข้ามาว่า พมา่าจะเข้าทางด่านแม่ละเมาส่วนขุนหลวงที่เรือนนั้นใครบอกมาทางไหนก็เชื่อหมดเมื่อได้รับใบบอกทางการจันทบุรีก็สั่งให้เกณฑ์ทัพจํานวนพลหนึ่งมื่นให้พญาอภัยมนตรีเป็นแม่ทัพไปตั้งรับที่เมืองการจันทบุรีและส่งกําลังหนุนให้พญาพระครังคุมออกไปอีกหมื่นหนึ่งรวมเป็นสองหมื่นครั้นต่อมาได้รับใบบอกทางกําแพงเพชรว่าพมา่าจะเข้าทางด่านแม่ละเมาก็สั่งให้เกณฑ์ทัพ อ, อีกกองหนึ่ง ให้เจ้าพระยาอภัยราชาเป็นแม่ทัพขึ้นไปตั้งทัพพระพมา่าทางด่านแม่ละเมาวเคราะดีที่ไม่มีใครบอกมาว่าพมา่าจะเข้าทางอื่นอีกถ้ามีใครบอกมาว่าจะเข้าทางไหนอีกขุนหลวงที่เรือนก็คงจะต้องส่งกําลังออกไปคอยรับอีกกองทัพพมา่าไม่ได้เข้าทางด่านพระเจ ด, ดีสามองค์หรือทางด่านแม่ละเมาเลยเข้าทางด่านสิงขรด้านเดียวกําลังส่วนใหญ่ของเราซึ่งมีจํานวนพลหลายหมื่นออกไปคอยแขวนอยู่ทางที่พมา่าไม่เข้า ส่วนทางที่พมา่าเข้าไม่มีกําลังใหญ่โตคอยต้านทานพมา่าจึงเดินเข้าทางด่านสิงคขอนอย่างสบายใจมาประสบการณ์ต่อต้านเพียงที่ราชบุรีรบกันได้เพียงเล็กน้อยกองทัพไทยก็พ่ายแพ้กองทัพพมา่าก็เข้าถึงสุพรรณหลวงจบไกลแดนพูดว่าว่าไงหลวงแสนพลพ่าพเราเคราะดีที่ไม่ถูกส่งไปด่านแม่ละเมาหรือด่านพระจดีสามองค์ หลวงแสนพลาภายตอบว่าเคราะดีหรือเคราะ้ายก็ไม่รู้เบื่อความโง่ๆเต็มทีแล้วนิมนวลพูดว่าแล้วนี่จะทําอย่างไรพอแมา่ามีลอยชายเข้ากรุงศรีอยุธยาหรือหลวงจบไกลแดนตอบว่าเขาก็เข้ามาเวลานี้ถึงสุพรรณแล้วจากสุพรรณก็จะถึงกําแพงเมืองทั้งกรุงศรีอยุธยาก็โกลาหลพวกเสนามาทข้าราชการผู้ใหญ่พูดกันอย่างเปิดเผย โดยไม่กลัวถูกมพะพร้าวห้าวยัดปากว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะพระเจ้าแผ่นดินไร้ความสามารถรู้เท่าไม่ถึงการเอากําลังออกไปกระจายหมดสุดแต่ใครจะบอกมาว่าพม่าจะเข้าทางไหนก็กระจายกําลังออกไปทางนั้นส่วนที่ข้าสึกเข้ามาจริงๆไม่มีกําลังจะต้านทานพวกเสนามาชั้นผู้ใหญ่ยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงการถูกประหารชีวิตพร้อมกันกราบบังคมทูลร้องขอให้เชิญสเสด็จสมเด็จพระอุทุมพร ซึ่งถูกแย่งราชสมบัติจนต้องออกไปทรงผนวดนั้นกลับเข้ามาช่วยป้องกันบ้านเมืองสมเด็จพระสุริยาอาอมรินทรงเห็นว่าพวกเสนามาดพากันเสียงแข็งมากเกรงจะเกิดการจะลาจนขึ้นภายในเมืองเองก็มีรับสั่งให้ไปเชิญเสด็จสมเด็จพระอนุชาให้ลาผนวดเข้ามาช่วยป้องกันบ้านเมืองสมเด็จพระอุทุมพรกลับเข้ามาสมเด็จพระสุริยาอาทมรินก็ทรงมอบอำนาจให้บังคับบัญชาการงานต่างพระองค์ แต่ส่วนพระองค์ก็ไม่ไปไหนไม่สละราชสมบัติยังคงประทับอยู่เฉยๆมีฐานะอย่างพระเจ้าแผ่นดินดังเดิมเป็นอันว่ากรุงศรีอยุธยาในตอนนี้มีพระเจ้าแผ่นดินสององค์องค์หนึ่งทํางานอีกองค์หนึ่งนั่งเมืองนอกจากมีพระเจ้าแผ่นดินสององค์แล้วพฤติการที่แปลกประหลาดซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของไทยคือเกิดมีเจ้าพระยาอภัยราชาสองคนมีพญายมราชตสองคน และมีพระยาเพชรบุรีสองคนเรื่องเดิมมีอยู่ว่าเมื่อสมเด็จพระอุทุมพรได้สละราชสมบัติให้แก่พระเชษฐาและออกไปทรงผนวดนั้นกรมมือหมื่นเทพพิพิธกับเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมมาราและพระยาเพชรบุรีลายเห็นว่าสมเด็จพระสุรยิยอาอมรินไม่สามารถจะปกครองบ้านเมืองได้ทั้งสี่คนจึงได้คบคิดกันจะก่อการกรบฏเพื่อเชิญสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกลับเข้ามาครองแผ่นดินทั้งสี่คนได้นําความคิดอันนี้ ไปกราบทูลสมเด็จพระอุทุมพรซึ่งกำลังทรงพนวดสมเด็จพระอุทุมพรทรงห้ามเสียแล้วก็ไม่ห้ามเปล่าเปล่าสมเด็จพระอุทุมพรกลับนำความอันนี้ไปทูลให้สมเด็จพระสุริยาาอมรินทรงทราบแต่ได้ทูลขอว่าอย่าให้ฆ่าฟันประหารชีวิตบุคคลเหล่านี้สมเด็จพระสุริยาาอมรินจึงมีรับสั่งให้เนรเทศกรมมื่นเทพพิพิธไปไว้เกาะลังกาส่วนอีกสามคนคือเจ้าพระยาอภัยราชา พยายมราชและพระญาเพชรบุรีนั้นให้เอาตัวจําคุกไว้แล้วตั้งคนใหม่ขึ้นเป็นแทนตั้งเจ้าพระยาอภัยราชาคนใหม่คือคนที่ได้รับตาแหน่งเป็นแม่ทัพคุมทหารขึ้นไปคอยตั้งรับพมา่าทางด่านแม่ละเมาตั้งพระรา ช, ชรองเมืองคือแม่ทัพคนที่เอากองทหารไปนอนพักสบายอยู่ที่ปลายน้าตะนาวสีถูกพมา่าตีแตกยับกลับมานั้นเป็นพยายมราช ส่วนตำแหน่งพญายเพชรบุรีนั้นก็ตั้งใหม่คือคนที่เป็นกองหน้าของพระราชรองเมืองที่ถูกขม่าตียับมาจากปลายน้ำตะนาวสีครั้นเมื่อสมเด็จพระอุทุมพรได้กลับเข้ามาบัญชาการบ้านเมืองครั้งนี้ก็ได้เอาคนสามคนคือเจ่าพญาอภัยราชาพญายมรรัตและพญาเพชรบุรีที่สมเด็จพระสุริยาอาอมรินทร์ทรงเอาขังคุกไว้นั้นกลับออกมาใหม่ใช้ราชาการอย่างมียศศักดิ์ฐานนันดอนตามเดิม กรุงศรีอยุธยาจึงเกิดมีเจ้าพระยาอภัยราชา2คนพยายมรรัต2คนและพระยาเพชรบุรี2คนเมื่อเอาคนกล่าวออกจากคุกก็เอาคนอื่นไปเข้าคุกกล่าวคือสมเด็จพระอุทุมพรได้สั่งจับพระยาราชมนตรีปิ่นกับเจมื่นศรีสสารักษณ์พี่ชายพระสนมเอกของสมเด็จพระสุริยาอาอมรินขังคุกเสียทั้งสองคนโดยข้อหาว่าเป็นผู้ยุยงก่อความร้าวฉาในหมู่ข้าราชการ ในสภาพการที่ยุ่งยากสับสนดังกล่าวนี้กรุงศรีอยุธยาก็เปรียบประหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่รากฐานผุพังพอมีศึกพม่ามาผลักดันเข้านิดเดียวก็พังทลายลงได้ง่ายโชคชะตาของกรุงศรีอยุธยาได้ดำเนินมาถึงขั้นที่สุดแม้จะไม่มีศึกพมา่าก็คงมีศึกกลางเมืองฆ่าฟันกันเองจนพินาศไปแต่สมเด็จพระอุทุมพรทรงเป็นเจ้านายที่ดีกว่าใครๆในวงบ้านพลูหลวง ทั้งๆที่สมเด็จพระสุรยิยอาทมรินยังไม่ยอมลงจากพระแท่นและยังอยู่โดยไม่รู้ว่าใครมีตำแหน่งฐานะเป็นอย่างไรแน่สมเด็จพระอุทุมพรก็ทรงอุตสาห์จัดการป้องกันบ้านเมืองรับสั่งให้กวาดต้อนราษดอนขนสเสบียงอาหารเข้าไว้ในพระนครระเตรียมป้อมปราการเพื่อเอาพระนครเป็นที่มั่นต่อสู้ฆ่าศึกทรงเห็นว่ากำแพงเมืองทางทิศเหนือตอนที่ตรงกับพระราชวังนั้นอยู่กระชั้นชิดไป จึงได้สร้างกำแพงขึ้นอีกแนวหนึ่งให้ห่างออกไปแต่กำแพงที่สร้างใหม่ให้ต่ำกว่ากำแพงเก่าเพื่อให้ยิงปืนจากกำแพงได้ทั้งสองชั้นนอกจากนั้นได้ส่งตั้งกองทัพใหม่ขึ้นอีกทัพหนึ่งมีจำนวนพล 20,000 ให้เจ้าพระยามหาเสนาเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิพยายมราชคนที่เอาออกจากคุกพยารัตนาธิเบศและพยาราชบังสันเป็นนายกองออกไปตั้งรับ่าสึกที่พรมแดนเมืองสุพรรณ คราวนี้หลวงจบไกลแดนกับหลวงแสนพลพ่ายไม่ได้ไปกองทัพไหนถูกเกณฑ์อยู่ในจําพวกรักษากรุงข้อที่สองคนประหลาดใจก็คือทางราชการได้ใช้พระยาลัตนาธิเบศอีกหลวงแสนพลพ่ายพูดในการสนทนาภายในครอบครัวสี่คนว่าเวลานี้พระยารัตนาธิเบศเข้าเป็นพวกสมเด็จพระอุทุมพรไปแล้วหลวงจบไกลแดนฟังแล้วกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าอย่างนั้นหรือแต่ก่อนเป็นพวกขุนหลวงที่เรือน หลวงแสนพลรพายตอบว่านั่นแหละเดี๋ยวนี้เป็นพวกพระอุทุมพรนิ่มนวลพูดขึ้นบ้างว่าจะประหลาดอะไรเจ้าคุณรัตนธิเบตเป็นพวกใครก็ได้อุ่นเรือนเสริมขึ้นบ้างว่าแล้วคราวนี้ก็หนีอีกหลวงแสนพลรพายพูดว่าคนอื่นจะตายหมดพญารัตนาธิเบตจะรอดคนเดียวหลวงจบไกลแดนได้ฟังก็แสดงความคิดเห็นว่า พวกเราออกจะเป็นปรปับปากต่อเจ้าคุณรัตนาทิเบตมากเกินไปแต่นิมนวนพูดว่าเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเป็นปรับปากต่อเจ้าคุณรัตนาทิเบตนะแต่ฉันเชื่อตามที่คุณหลวงแสนว่าคนอื่นจะตายหมดเจ้าคุณรัตนาทิเบตจะเอาตัวรอดได้คนเดียวไม่เชื่อก็คอยดูไปกองทัพเจ้าพระยามหาเสนาที่ยกไปครั้งนี้ทําการรอบคอบกว่าคราวก่อน คือไปตั้งค่ายรายเรียงกันหลายค่ายที่ลำน้ําจักรราชที่ที่ตั้งกองทัพคราวนี้ก็เป็นชัยภูมิที่เหมาะสําหรับการตั้งรับเพราะได้ลำน้ําทั้งลําเป็นคันคูถ้าพมา่าจะมาตีค่ายนี้ก็จะต้องข้ามลําน้ํามาแต่พมา่าก็ข้ามน้ํามาเพราะข้ามมาขึ้นฝั่งทางนี้ได้ก็แยกย้ายกันตีค่ายไทยทุกค่ายพร้อมกันการที่กองทัพไทยปล่อยให้พมา่าข้ามน้ํามาได้นั้นก็เท่ากับแพ้เสีแล้ว ถ้าหากเป็นสมัยก่อนๆเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชลำน้ำจาจักรราชคงจะเต็มไปได้วยศพทหารพมา่าแต่นี่ก็ไม่ปรากฏว่าพม่าต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อมากมายอย่างไรในการขนทหารข้ามแม่น้ำมาปืนของเราก็มีปรากฏในรายการจดหมายเหตุของทางพมา่าเมื่อพม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้วพม่ายึดปืนใหญ่จากไทยได้ถึง 1,200 รกระบอกส่วนกระสุนดินดานั่นเล่า ในระยะเวลาระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระนารายมหาราชปรากฏว่าเราทํากระสุดนดินดําได้เองโดยไม่ต้องซื้อหาและทําได้ดีมากญี่ปุ่นเองก่อนที่จะปิดประตูเมืองก็ต้องสั่งซื้อดินปืนจากไทยโชกุนญี่ปุ่นได้เขียนหนังสือชมเชยมาว่าดินปืนของไทยนั้นเป็นดินปืนที่ดีที่สุดมาถึงสมัยวงบ้านภูหลวงนี้เราได้ละทิ้งวิชาการเหล่านี้หมด เมื่อกองทัพพม่าขึ้นฝั่งทางนี้ได้และเข้าโจมตีค่ายไทยแล้วก็ปรากฏในพระราชะพงศาวดารแต่เพียงว่าได้รบกันเป็นสามารถแล้วพระราชะพงศาวดารก็กล่าวต่อไปว่าพลทัพไทยฝีมืออ่อนสู้พม่ามิได้ก็แตกฉานทิ้งค่ายเสียทุกๆค่ายพ่ายหนีกระจัดพัดพรายไม่เป็นหมวดกองและเจ้าพระยามหาเสนาแม่ทัพนั้นขึ้นช้างหนีมาถึงทุ่งวัดนนที ทัพพมาควบไล่ติดตามมาทันพุ่งด้วยหอกซัดถูกตายตกจากหลังช้างและพระยายมราชก็ต้องหอกซัดเป็นหลายแห่งหนีมาได้ถึงพระนครอยู่ประมาณ9้าวันสิบวันก็ถึงแก่กรรมเอาเถอะถึงแม้จะปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าเจ้าพระยามหาเสนาและพระยายมรราชถูกอาวุธตายในขณะที่หนีเราก็ยังอยากจะให้เกียรติเชิดชูบูชา เพราะเหตุที่ท่านได้สู้และได้ตายด้วยอาวุธของข้าศึกแม้จะต้องตายในขณะที่กำลังหนีเราก็จะเชิดชูบูชาอยู่นั่นเองทั้งนี้เพราะเหตุว่าเราหาคนที่จะเชิดชูบูชาได้น้อยเต็มทีในสงครามครั้งนี้เราจึงขอเทอิดเกียรติท่านเจ้าพระยามหาเสนาและพระยายยมราชไว้ในที่นี้ด้วยท่านติดคุก ข, ของท่านอยู่ดีๆสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไปไขเอาออกมาเลยมาตายเสียในครั้งนี้ แต่ท่านก็ได้ตายในทับศึกมีคนใหญ่คนโตน้อยคนเต็มทีที่ตายในทับศึกในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเข้าชะตาร้ายครั้งนี้เพราะพระราชพง์สวดารได้กล่าวต่อไปว่าและเจ้าพระยารัตนนาธิเบศนั้นขึ้นม้าหนีรอดมาถึงพระนครขึ้นเฝ้ากราบทูลกล่าวโทษพระยาราชบังสันว่าเป็นกบฏให้ปืนยิงแย้งเอาค่ายฆ่าพระพุทธเจ้าจึงแตกฉานเสียทีครั้นพ่ายหนีฆ่าศึกมาแล้ว ก็หามาเฝ้าไหม่เป็นพักพวกพระราชมนตรีปิ่นจึงดำหัดให้ตำรวจไปสืบหาจับตัวมาได้ให้ลงพระราชอาญาเขี่ยนห้าสิบแล้วจำไว้อยู่ได้เจถึงวันก็ถึงแก่กรรมให้เอาศพไปเสียประจานไว้ณนะประตูชัยตามโทษเก่งมากความจริงนั่นคือว่าพระยารัตนาทิเบตกับพระยาราชบังสันหนีกันทั้งสองคนพระยารัตนธิเบตไวกว่าขึ้นม้าหนี รีบรุดเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนหน้าพยาราชบังสันด้วยเหตุที่ตัวหนีมาถึงสองครั้งแล้วและสมเด็จพระอุทุมพรเป็นคนเอาจริงเอาจังพยาราาัตนทิเบตจึงรีบเข้าเฝ้าเสก่อนกราบทูลว่าพยาราชบังสันยิงค่ายของตัวตัวจึงได้แพ้ถ้ามิะนั้นก็คงจะตีพมา่าแหลกไปเพื่อให้คาเพชรทูลมีน้าหนักมากขึ้นก็ต้องกล่าวโทษต่อไปว่า พญาราชบังสันเป็นพรรคพวกของพญาราชมนตรีปิ่นที่สมเด็จพระอุทุมพรจับใส่คุกไว้เหตุผลที่ว่าพญาราชบังสันจะเป็นพรรคพวกของพญาราชมนตรีปิ่นนั้นก็น่าเชื่อเพราะเป็นเชื้อแขกด้วยกันพญาราชบังสันจึงถูกเขี่ยนถูกจำจนตายและพญาราตนาทิเบตก็รอดตัวหลวงแสนพลาพ่ายพูดกับเพื่อนของเขาว่าจริงไหมล่ะ ฉันได้ทายไว้แล้วว่าคนอื่นจะตายหมดพญารัตนาธิเบตจะรอดคนเดียวนิ่มนวลกล่าวเสริมขึ้นว่าฉันก็เชื่ออยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงแสนพลรพ่ายพูดตอบไปว่าท่านเจ้าคุณรัตนาธิเบต ร, รู้จักเก่าถูกที่คันพราะพูดว่าเจ้าคุณราชบังสันเป็นพรรคพวกพญาราชบนตรีเท่านั้นก็เพียงพอที่จะให้พญาราชบังสันต้องโทษได้หลวงจบไกลแดนพูดว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ ในขณะที่กองทัพพมา่าระดมกันเข้าตีค่ายไทยทุกค่ายทําไมพญาราชบังสันจึงสั่งยิงค่ายพญาลัตนาทิเบตเมื่อยิงค่ายพญารัตนาทิเบศให้แพ้ไปแล้วพญาราชบังสันจะรอดตัวหรือพาม่าจะเห็นความดีความชอบของพญาราชบังสันหรือก็เปล่าทั้งสิน้นตัวพญาราชบังสันเองก็ต้องหนีมาเหมือนกันแล้วจะไปยิงเพื่อนกันทําไมหลวงแสนพลาพภายพูดว่าเรื่องเหลวไหลทั้งนั้น แต่อุ่นเรือนค้านว่าไม่ใช่เรื่องเลวไหลเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนเรียนให้รู้ว่าวิธีหลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนั้นเขาทำกันอย่างไรเราควรจะขอบใจเจ้าคุณรัตนาทิเบตที่ทำตัวอย่างให้เราดูจาไว้เธอพี่คนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้ในสมัยนี้เขาต้องทำอย่างนั้นเมื่อไดช้ชนะแกะกองทัพไทยที่สุพรรณบุรีแล้วพม่าก็เดินทัพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา เข้าถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือนห้าขึ้น11อดข้ามปีมะโรงพุทธศักราช2303ตั้งค่ายหลวงอยู่ที่บ้านกลุ่มข้างเหนือกรุงพระเจ้าอลองพยาอยู่ในค่ายหลวงเองและให้มังระราชบุตรกับมังค้องนรธามาตั้งค่ายที่ทุ่งโพสามต้นเป็นเวลานา น, านมาแล้วนานถึง174ปีที่พม่า ไม่ได้เหยียบย่างเข้ามาถึงชาญพระนครรีอยุธยาภาพแห่งการประชิดกรุงสีอยุธยาเป็นประหนึ่งความฝันเป็นภาพที่ไม่มีใครในบรรดาชาวสีอยุธยาเวลานั้นจะได้เคยเห็นและดูเหมือนจะไม่นึกฝันกันเสียด้วยเป็นการแน่นอนว่าดวงวิญญาณของพระมหาราชทั้งสองพระองค์คือสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระนารายณ์คงจะได้ทรงรับความขุนหมองเศร้าสลดในครั้งนี้เป็นอันมาก หลวงจบไกลแดนกับหลวงแสนพลาภาพได้รับหน้าที่อยู่ในกองป้องกัน ร, รักษากรุงและเขาดีใจมากที่ได้อยู่แห่งเดียวกันทั้งสองคนโดยไม่ต้องแยกกันเหมือนการไปทับครั้งก่อนทั้งสองคนอยู่ประจำป้อมมหาชัยซึ่งตั้งปืนใหญ่ไว้สำหรับยิงค่ายพมา่าเมื่อพมา่าได้เข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาแล้วทางเราก็ไม่ได้ส่งกาลังออกไปตีค่ายพมา่าอย่างที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำ เราคงเงียบสงบอยู่ในเมืองโดยนึกว่าจะทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือถ้าพมา่ามาตีก็จะต่อสู้ป้องกันเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือมีหัวหน้าชนชาวจีนซึ่งได้รับบรรดาศักเป็นหลวงอภัยพิพัฒเข้ามากราบทูลอาสานำชาวจีนออกรบและรวบรวมชาวจีนได้เป็นจำนวนถึงสองพันคนที่เต็มใจจะทาการสู้รบเพื่อช่วยกรุงศรีอยุธยาที่เขาได้มาอาศัยอยู่ทำมาหากิน ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขสมเด็จพระสุริยาอาอมรินทร์และสมเด็จพระอุทุมพรได้ทรงรับการอาสาของชนชาวจีนครั้งนี้และได้โปรดให้หมื่นทิพเสนาประหลัดกรมพระตำรวจในขวาถือพลหนึ่งพันยกหนุนออกไปคอยช่วยพระราชพงศาวดารได้กล่าวความในตอนนี้ว่าทัพจีนยังมิทันจะตั้งค่ายมั่นพอแมงละแมงของนายกองทัพหน้าพมา่าลายเห็นก็ขับพลข้ามแม่น้าโพสามต้น มาตีกองทัพจีนแตกพ่ายลงน้ำหนีขึ้นบกทหารม้าพม่าเห็นได้ทีก็ขับม้าข้ามน้ำไล่ติดตามยิงบนหลังม้าและพุ่งหอกซัดต้องพลจีนตายในน้ำในบกเป็นอันมากไล่ามาถึงทัพหมื่นทิพเสนาหมื่นทิพเสนาเห็นทัพจีนแตกก็ไม่ได้เข้าช่วยอุดหนุนพลแตกข้ามน้ำหนีมาเสียด้วยเสียไพรพลไทยจีนตายเป็นอันมากขายหน้าหลายชั้น ชั้นแรกก็คือเราเคยทำมาหลายครั้งหลายหนที่เมื่อพม่ามาประชิดกรุงศรีอโยธยาเราส่งทัพใหญ่ออกไปโจมตีไขยพม่าแม้สมเด็จพระสุริโยไทยซึ่งเป็นสตรียังเคยเสด็จออกไปทำงานชนิดนี้จนถูกฟันขาดคอช้างครั้งนี้เราไม่ออกเมื่อมีชาวจีนมาอาสาออกรบเราก็ชื่นชมยินดีปล่อยเข้าไปรบแทนเรามีกองหนุนไปด้วยไม่รู้ว่าไปทาไม พอเห็นทัพจีนแตกก็พลอยแตกโดยไม่สู้รบช่วยเหลืออย่างใดเมื่อตีกองทัพจีนของหลวงอภัยพิพัฒน์แตกกลับเข้าเมืองแล้วพมา่าก็เคลื่อนเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่พระเนียดวัดพระเจดีแดงวัดสามพิหารโดยไม่มีกองทัพไทยออกไปโจมตีเขาเขาก็ตั้งพักอยู่อย่างสบายใช้เวลาว่างเตรียมทำบันไดาสาหรับพาดปีนกาแพงเมืองบรรดาเรือรัษฎรที่พากันถอยไปจอดคับคั่งอยู่ที่ท้ายคู คือแม่น้ําข้างใต้กลุ่มใกล้ๆกับปากคลองตะเคียนซึ่งเข้าใจกันว่าจะหลบภัยพ้นพม่าและไม่ใช่แต่ราษฎรเท่านั้นที่เข้าใจอย่างนั้นทางราชการก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยถึงกับถอยเอาเรือพระที่นั่งต่างๆทั้งกำปั่นและเรือรบไปจอดอัดแอร์ไว้ในที่แห่งเดียวกันรวมทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรก็เป็นจํานวนหลายร้อยลําคลื้นถึงวันแรม8ค่ำเดือน5 พมา่าที่ส่งทหาร 2,000 คนไปตีท้ายคู่เผาเรือใหญ่น้อยและฆ่ารัษฎรที่อาศัยอยู่ในเรือโดยไม่มีกําลังทหารช่วยป้องกันชีวิตของราษฎรเป็นเรื่องฆ่าและเผากันเฉยๆเป็นภาพที่น่าอาเนจอานาฎครั้งหนึ่งในการที่พมา่าตีกรุงศรีอยุธยาคราวนี้เพราะพวกที่อยู่ในเรือนั้นเป็นรัษฎรที่หาเช้ากินค่ําอย่างธรรมดาไม่มีอาวุธจะต่อสู้พมา่าจึงฆ่าฟันเอาตามใจชอบ พระราชปงสวดานกล่าวว่าพาศบลอยเต็มทั้งแม่น้ำจนกินน้ำไม่ได้ในขณะที่พม่าฆ่ารัศดรมากหลายที่ตำบลท้ายคูนี้ไม่ปรากฏว่ามีกองทัพเคลื่อนออกมาจากกาแพงเมืองมาช่วยเหลือรัศดรแม้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สอนให้รัศดรรู้ว่าจะอาศัยผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่คุ้มครองป้องกันนี้ได้แล้วรัษฎรในถิ่นแถวอื่นๆก็พากันอพยพนี้ก็จัดกระจายเข้าป่าเข้าดง หาที่คุ้มภัยเท่าที่จะหาได้มาถึงแรมสิบสี่ข้ามเดือนห้าพม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดราชพรีและวัดกษัตริยยิงเข้าไปในพระนครคราวนี้สมเด็จพระอุทุมพรสเสด็จทรงช้างต้นออกไปสั่งและบัญชาการให้ปืนใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสวนหลวงศพสวรรค์กับที่ป้อมท้ายกบป้อมมหาชัยให้ยิงโตอตอบกับพมา่า เป็นครั้งแรกที่หลวงจบไกลแดนและหลวงแสนพลาภายได้ทำการยิงปืนใหญ่สู้รบพมา่าภายในกรุงเขารู้สึกชื่นใจที่ได้เห็นสมเด็จพระอุทุมพรเสด็จมาบัญชาการยิงปืนใหญ่ด้วยพระองค์เองในขณะที่กำลังยิงปืนต่อสู้ฆ่าศึกหลวงจบไกลแดนกับหลวงแสนพลาภายก็ยังพูดกันอย่างสนุกสนานร่าเริงโดยหลวงจบไกลแดนพูดกับหลวงแสนพลาภายว่าสมเด็จพระอุทุมพรขี่เธอมา หลวงแสนพลพภาพาถามด้วยความแปลกใจว่าว่าอะไรนะหลวงจบไกลแดนพูดซ้ำว่าสมเด็จพระอุทุมพรขี่เธอมาหลวงแสนพลพภาพาถามซ้ำด้วยความงงงันว่าแปลว่าอะไรหลวงจบไกลแดนจึงฉเฉลยว่าเธอไม่รู้จักช้างพลายที่เป็นช้างพระที่นั่งนี้ดอกหรือหลวงแสนพลภ า, ายจึงเข้าใจและตอบว่าอ้อเข้าใจแล้วช้างพลายพระที่นั่งที่สมเด็จพระอุทุมพรทรงไป ในการตรวจบัญชายิงต่อสู้กับพม่าครั้งนี้ชื่อพรายแสนพลาพา่ายตรงกับชื่อหลวงแสนพลาพา่ายถ้าเจ้านายของเราเป็นอย่างนี้เสมอแล้วก็เดี๋ยวว่าแต่จะทรงช้างพรายที่มีชื่อเหมือนกับฉันเลยแม้ต้องประสงค์จะขี่คอฉันเองฉันก็ยินดีให้เสด็จขึ้นคอฉันหลวงแสนพลาพา่ายกล่าวการที่สมเด็จพระอุทุมพรเพียงแต่เสด็จออกตรวจบัญชาการยิงปืนโต้ต่อสกับพม่าเท่านั้นก็ทําความชื่นใจแก่ทหารเป็นอันมาก ถ้าหากว่าเพราะมหากษัตริย์ได้ทรงออกรบยิงแย้งแทงฟันด้วยพระองค์เองเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เป็นการแน่นอนว่าเราจะไม่พ่ายแพ้แก่พมา่าแม้แต่เรื่องเสด็จออกไปให้ทหารเห็นเท่านั้นก็ยังเพิ่มพูนกำลังใจให้แก่ทหารเป็นอันมากการต่อสู้ด้วยปืนใหญ่ในวันนั้นได้ผลดีเพราะทําให้พม่าเป็นฝ่ายสงบยิงก่อนพม่าได้เลิกยิงในเวลายเย็น และข้ามฟากไปทางวัดภูเขาทองครั้นต่อมาถึงวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหกพม่า ก, ก็เอาปืนใหญ่มาตั้งจังกาที่วัดหน้าพระเมรุและวัดช้างคือวัดหัสดาวาดระดมยิงเข้าในพระราชวังทั้งกลางวันกลางคืนลูกปืนถูกยอดพระที่นั่งสุริยาตอามารินหักทําลายลงคราวนี้ก็มีเสียงพูดกันอย่างเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งเพราะยอดพระที่นั่งก็มีหลายยอด จำเพาะไปถูกยอดพระที่นั่งสุริยาอาอมรินตามความเข้าใจของคนทั่วไปแลเห็นเป็นลางร้ายที่สมเด็จพระสุริยาอาอมรินหรือคุณหลวงขี้เรื้อนไม่ควรจะอยู่ในราชสมบัติต่อไปควรจะมอบราชสมบัติให้สมเด็จพระอุทุมพรโดยเด็ดขาดเพราะสมเด็จพระอุทุมพรองค์เดียวที่สามารถจะกอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้ในครั้งนี้สมเด็จพระสุรยิยอาอมรินขืนอยู่ต่อไป ก็มีแต่จะนำโชคร้ายมาให้แก่กรุงศรียธยาแต่เสียงพูดเหล่านี้ต้องสงบไปในวันรุ่งขึ้นเพราะอยู่ดีๆกองทัพพม่า ก, ก็เลิกไปเฉยๆ ย, ยกกลับกันทั้งกองทัพในชั้นแรกเราเข้าใจว่าพม่ากยกกลับยังเป็นอุบายที่จะล่อให้กองทัพกรุงออกติดตามแล้วก็ได้รบกันกลางแปลงทั้งกรุงจึงสงบเงียบอยู่ไม่กล้าออกติดตามแต่ภายหลังก็ได้ข่าวมาว่า ในการระดมยิงพระราชวังเมื่อคืนนี้พระเจ้าออลองพญามาบัญชาการยิงปืนใหญ่ด้วยพระองค์เองเหมือนอย่างที่สมเด็จพระอุทุมพรออกไปบัญชาการยิงเมื่อวันก่อนปืนแตกถูกพระเจ้าออลองพญาบาดเจ็บสาหัสพม่าจึงเลิกทับกลับไปทันทีทันใดคราวนี้พวกข้างสมเด็จพระสุริยาอาทมรินทร์ซึ่งเงียบเสียงไปในตอนแรกก็กลับเสียงดังขึ้นมาใหม่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นบุญญาพินิหารของสมเด็จพระสุริยอาอมรินทร์ด้วยเหตุที่พม่ามายิงยอดพระที่นั่งสุริยาอาทมรินทร์พังลงปืนจึงแตกถูกพระเจ้า อ, อลองพยาของพมา่าเมื่อแน่ใจว่ากองทัพพม่าเลิกถอยไปจริงแล้วทางกรุงจึงได้สั่งให้พระยาโยมราชคนที่แตกทัพจากปลายน้นําตะนาวสีกับพระยาสีหราช์เดชโชชัยยกกองทัพติดตามพมา่าเพื่อตามตีในเวลาล่าถอยอย่างที่เคยทํามาเป็นผลดี ในโบราณการครั้งกนันโ้นโดยเหตุที่พระยายมราชผู้นี้เคยให้คำมั่นแก่หลวงจบไกลแดนและนแก้วว่าถ้าต้องออกศึกอีกก็จะขอเอาหลวงจบไกรแดนในแก้วและพรรคพวกของเขาไปด้วยพระยายมราชจึงมั่นคงต่อถ้อยคำขอเอาบุคคลเหล่านั้นไปด้วยเป็นอันว่าหลวงจบไกรแดนในแก้วและพรรคพวกของเขาได้ไปในกองทัพกับพระยายมราชในคราวนี้ แต่แล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะกว่ากองทัพพญาโยมราชและพญาศีหราชศีโชชัยจะยกออกได้พม่า ก, ก็ไปไกลเสียมากแล้วกองทัพนี้ได้ติดตามไปจนถึงเมืองตากก็ไม่ทันฆ่าศึกถึงแม้จะไปทันก็ไม่แน่ว่าจะทําประโยชน์อะไรได้กองทัพที่ติดตามมานั้นจึงหยุดอยู่แค่เมืองตากแล้วก็ยกกลับในคราวนี้หลวงจบไกลแดนได้ตัดสินใจอย่างหนึ่ง ว่าไม่อยากจะกลับกรุงศรีอยุธยาเพราะเห็นว่าอยู่ไปก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ความยุ่งยากภายในกรุงทำให้กำลังทางกรุงอ่อนแอลงทุกทางถ้าคิดจะป้องกันบ้านเมืองก็อาจจะคิดในทางอื่นได้ดีกว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือก็มีความสำคัญมากถ้าเขาได้รับราชการอยู่ทางหัวเมืองฝ่ายเหนืออาจจะมีโอกาสได้ทางานสู้รบดีกว่าที่อยู่ในกรุงด้วยความคิดอันนี้ เขาจึงได้ร้องขอต่อพญายมราชให้ช่วยจัดการให้เขาได้อยู่รับราชการทางเมืองเหนือโดยไม่ต้องกลับลงมากับกองทัพของพญายมราชส่วนพญายมราชก็มีความผูกพันที่ต้องนึกถึงบุญคุณหลวงจบไกรแดนอยู่มากจึงได้ช่วยจัดการให้หลวงจบไกรแดนได้รับราชการอยู่ที่พิษณุโลกและในแก้วก็ขอสมัครอยู่ด้วย